นั่งทำสบายนั่งสบายสบายนึกว่าโยมไม่ออกที่ไปดอยจะเป็นไข้กันหมดแล้วกลับมายังอยู่ได้แ ส, สดงว่าแข็งแกร่งแข็งแกร่ง อ, <c oughs> อย่าพูดเรื่องอาบน้ำมันกระทบกระเทือน <c oughs> <c oughs> หนาวหนาวจริงจริง ยอดกัะถินก็เกากว่าอืมครับอืมครับอัอืมบนบนมันธุร ก, กันดนนะันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เฉพาะวันงานนั่นแหละอุดมสมบูรณ์วันปกติก็มามาต้มนะะ อันเนี้ก็ดูความอดทนของทั้งครูบาอาจารย์ที่อยู่ทั้งญาติโยมที่ไปก็ด้วยความหวังว่าจะทำงานบุญให้มันสำเร็จเพราะถ้าพระอย่างนี้มันก็ไม่มีคนรับโยมไม่ไปก็ไม่มีคนออกมาให้ โบสถ์มันก็จะไม่เสร็จก็ต้องอาศัยตรงนั้นแต่สำคัญที่สุดก็คือหลวงพ่อเราผู้ผู้อุออปธรรมก็กี่วััดสมติธรรมแม่ว่าโพนิทัศนารามบทพร้อมกันสองหลังถือว่าเป็นงานหนักสักสุขภาพร่างกายท่านช่วง น, นี้ก็ กำลังตื่นตัวเราก็ถือว่าเอาบุญเราด้วยช่วยงานครูบาอาจารย์ของเราอครูบาอาจารย์ของเราท่านอ่อนแรงแต่ว่าลูกศิษย์ก็เป็นกําลังให้ท่านเป็นตีนเป็นมือเป็นทุกอย่างแนละ้วเนาะให้สําเร็จสําเร็จแล้วก็ยกให้ครูบาอาจารย์เป็นกุศลผลบุญครูบาอาจารย์นั่นก็ไม่เอาแนละ้วท่านก็ยกให้พระพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนาคือเป็นสมบัติของกลางของกลางก็เป็นสถานที่ที่ว่าพวกเราทั้งหลายจะได้ไปบําเพ็ญบุญกิริยาอย่างวัดสันติธรรมนี้ถ้าไม่มีศาลาหลังนี้เนี่ยหรือดูผลอย่างนี้จะนั่งตรงไหนนั่งฟังเทศใต้ต้นไม้บะก็จะนั่งสั่นงกๆนะคนมาเยอะๆมันก็อาศัย เขาเรียกว่าวิหารลทานคือการให้สถานที่อยู่อาศัยเป็นอนิสงใหญ่มีมีบุญมากอนิสงมากอนิสงเห็นปัจจุบันนี่เราได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่ไหว้พระสวดมนต์ที่นั่งภาวนาที่รับประทานอาหารอะไรต่างๆกิจกรรมทั้งหลายที่เราจะทำอาศัยสถานที่เป็นที่จะทำถ้าไม่มีสถานที่แล้วก็มันไม่สะดวก เมื่อไม่เมื่อไม่สะดวก่เรียกว่ามันไม่สปายะไม่สปายะ mm hmm. การจะปฏิบัติทำการจะบำเพ็ญบุญต้องอาศัยสปายะคือความสบายอาวาตสปายะสถานที่อยู่ที่สบายแล้วก็อาหารบุคคลธรรมะที่ถูกจริตนิสัยที่ปฏิบัติแล้วมันสบายอย่างนี้แหละ ที่นี่ก็พูดเรื่องว่าวัดวัดนี่เราก็ฟังครูบาอาจารย์พูดมาเยอะมาวัดคือมาวัดกายวัดวาจาวัดใจที่นี่มันก็ฟังฟังโมทีมก็งงวัดยังไงไม่เข้าใจวัดคือวัดอะไรอย่างไงพินเขียนคำว่าวัดนี่บอร์แวนในอากาศต่อเด็กซึ่งมันก็ตรงตัวมันแปลว่าวัดมันคือการ เขาไปเทียบเขาไปนับคำนวณเหมือนกับว่าเราจะรู้ว่าไม้นี่มันสั้นหรือมันยาวกี่เซนกี่เมตรมันก็ต้องมีไม้บรรทัดเป็นตัววัดเพื่อให้รู้ว่าไม้นี่มันยาวกี่เซนกี่เมตรอย่างนี้เรียกว่าวัดน้ำหนักจะรู้ว่ามันหนักกี่กิโลกี่กรโก็มีแต่ช่างเป็นตัววัด <c oughs> ตัวช่าง เวลาจะรู้ว่ามันไปเท่าไหร่ก็มีมนาฬิกาเป็นตัววัดนั่นแหละก็คือว่าทีนี้เราจะรู้ว่าคนคนดีคนไม่ดีคนมีศีลไม่มีศีลก็อาศัยวัดวัดคือคุณธรรมที่พทะเจ้าท่านตรัสไว้นั่นแหะคือทานคือศีลคือภาวนาเราเข้ามาวัดก็คือ มาวัดดูกายวัดดูวาจาวัดดูใจของเราว่าเราเป็นคนดีหรือคนยังดีไม่พอคนก็บอกว่าถ้าคนมีศีลจึงจะเป็นคนดีคนมีทานจึงจะเป็นคนรวยคือมีจึงให้ได้คนมีภาวนาจึงเป็นคนฉลาด ฉลาดคือฉลาดทั้งทำไม่ใช่ฉลาดเกียมโกงมีทานมีศีลมีภาวานาจึงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเอเราเป็นคนประเภทไหนทีนี้ศีลมันก็บอกว่าศีลห้าก็ต่ํากว่าศีลแปดหรือว่าศีลแปดก็คือประเสริฐกว่าศีลห้าศีลสิบก็ประเสริฐกว่าศีลแปด คำว่าประเสริฐคือว่าละกิเลสได้มากกว่ากิเลสคือการทำตาใจของตนเองล ะ, ละอกุศลส่วนนั้นได้มากกว่าสิสองร้อยี่สิบเจ็ดก็ละได้มากกว่าสินสิบอันนี้ในหมายความว่าในส่วนของข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาในวัดเราก็มาสมาทานโอสีนเพื่อให้ตัวของเรานี้ เป็นคนที่หมายว่าเป็นกรัลรยาณชนเป็นคนดีเป็นสาธุชนการสาธุก็แปลว่าดีดีเพราะว่าเราเรามีศีลดีเพราะาเรามีทานเรามาเสียสละออกแล้วก็เรามีปัญญาภาวานามาภาวานาอ่าคนคนมีภาวานากับคนไม่มีภาวานาก็แตกต่างกัน คนมีภาวนาก็คือรู้จักควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจของตอนเองได้ควบคุมคือทำให้มันสงบลงไปได้แล้วก็ชำระให้มันสะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวบาลีเบื้องต้นไว้ว่าวัชิรุพะมะอิโตสิยาในความว่าพึงทำจิตของเรานี้ให้ สะอาดให้บริสุทธิ์ให้แข็งแกร่งเหมือนกับเพชรปชิระแด้ว่าเพชรหรือแปลว่าสายฟ้าก็ได้แต่ในที่นี้เราจะหมายถึงเพชรคำว่าแข็งหินเนี่ยมันก็แข็งแข็งแกร่งหินหินมันก็มีหลายหลายแบบแต่แข็งแล้วมีคุณค่ามันก็ต้องสูงสุดก็คือเพชร เพราะมันสะอาดบริสุทธิ์มันคมมันตัดได้ทุกอย่างท่านจิตของเราเนี่ยทำยังไงมันจะแข็งแกร่งเป็นเพชรได้นั่นแหละก็ต้องพิจารณาดูความเข้มแข็งอดทนอันนี้มันก็เป็นลักษณะของใจเพชรไม่เกรงกลัวต่อความทุกข์ยากความลำบากเพราะว่าเราม่่งหวังเอา คุณงามความดีเป็นที่ตั้งก็เรียกว่าใจเพชรแต่ที่นี่ทำในใจจะบริสุทธิ์คุณงามความดีนั้นได้มาแล้วก็ต้องชำระจิตของเราให้มันสะอาดออกให้สะอาดสะอาดคือความว่างเปล่าความว่างเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้ เพราะมันอยู่กับทุกที่มันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งความเที่ยงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความว่างเปล่าเหมือนโลกใบนี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความว่างเปล่าัคําว่าความว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดทําลายได้พราะมันว่างอยู่แล้วมันไม่มีที่เกิดไม่มีที่ไม่มีที่เกิดไม่มีที่ดับมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้น นันคำว่าเพชรเนี่ยท่านจึงอุปมาเหมือนกับความว่างความว่างเปล่าเราทำความดีทำคนงามความดีด้วยจิตใจที่ว่างเปล่าหมายความทำดีแล้วก็ยกความดีให้กับความดีไปไม่เป็นยึดถือเอาว่าเราทำดีแล้วทีนี้ไม่ไม่เปรียบไม่เทียบไม่ว่าเราดีกว่าเขาเราตำกว่าเขาเราเสมอเขาไม่ยกตนก่มท่าน ต่างคนต่างมุ่งหวังผลงามความดีมุ่งหวังความสําเร็จอันนี้เนี่เรียกว่าเป็นลักษณะของจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และแข็งแกร่งพระพุทธเจ้าก็สอนเราว่าให้ทําใจให้ให้สะอาดให้มีคุณค่าให้เข้มแข็งเหมือนกับเพชรหลวงปู่สิมพาเรานั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเพชรนั่งสมาธิเพชรเพราะอะไร ใชมันแข็งกว่านั่งธรรมดานี่มันไม่เจ็บนั่งเพชรนี่เจ็บอย่างเดียวเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าปัญญาก็จะเป็นแข็งแข่งขึ้นมาประดุดเพชรเพราะว่าเวทนามันก้าปัญญ า, ม, ามันก็จะได้ตื่นตัวตื่นตัวไม่ง่วงไม่หลับแล้วก็เห็นเวทนาชัดเจ น, นปัญญาเดินสามารถพิจารณาแยกแยะวิเคราะห์ได้โดยง่าย นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเน่ยรวมความว่าเราทําใจของเราให้ใส่ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้แข็งแกร่งด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าคือด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาทําใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายคือความโลภความโกรธ ความหลงตัณหาอภิชาโดยชื่อของมันก็เรารู้กันหมดแล้วตัณหาความอยากอภิชาความไม่รู้ความมืดมเพชรนี้เหลืองต้นมันก็เป็นหินขุ่ข่ขะๆะมันยังไม่สวยไม่งามต้องมาอาศัยการขัดการเจริญในทำเหลี่ยมทำมุมมันให้ดีมันจึงจะสะท้อนแสงออกมาได้ ก็เหมือนกันกันกบจิตใจของเราดังเดิมมันมีความแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานแล้วเรามาอาศัยเอาธรรมะเข้ามาขัดมาเกามาแต่งให้มันงามมันก็จะสวยสดงดงามขึ้นมาได้อย่างนี้ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงพวกเรามุ่งหวังความสำเร็จในการทำงานในงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้น คืองานกระทินของเราเนี่แหละนั้นเพื่อนก็บอกว่าทำใจด้วยความเข้มแข็งและบริสุทธิ์แล้วก็รวมใจเข้าให้เป็นสมัสมรสมานสมัีสุขขาสังคษะสมากขีสำเร็จได้ด้วยความสมักขีกันภาษาอีสานกว่สาสมัขีกันไหวคือฝนแสนหาไหลลงมาแต่ฝ่าโ้ม ห, อ ง, หองอยู่หน้อง ใมความว่าฝนตกลงมาเป็นเม็ดเล็กๆแต่ตกไม่หยุดมันก็ไหลลงมารวมกันเป็นเป็นหนองใหญ่เป็นบึงเป็นแม่น้าเป็นมหาสมุทรได้มือนกับกำลังเขาพอกเราคนหนึ่งคนหนึ่งกำลังมันไม่ได้มากแต่ว่าถ้าหลายคนรวมกันมันก็มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นห่วงน้ำใหญ่มีพละงกำลังมากอย่างนี้แล้วก็เมื่อสามัคคีกันแล้วนะั้น มันก็เป็นความสุขใจเพราะว่าเราเราเห็นทางเดียวกันเราทำทางเดียวกันเราไปด้วยกันเราช่วยกันแล้วก็ไม่ถือโทษโกดเคืองกันอาจจะ้นแต่ละคนแตกต่างกันมารวมกันเราอาศัยว่าเราหวังเพื่องานให้มันสำเร็จเราก็ไม่สนใจว่าคนนั้นจะเป็นยังไงคนนี้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้น อันนี้มันก็แสดงถึงจิตใจของเรามันเข้มแข็งใจเรามันไม่อ่อนมันไม่ไปตามกระแสของสิ่งที่มากระทบอยู่ด้วยกันเยอะๆกระทบกันบ้างวาจากันบ้างกายกระทบกันบ้างใจกระทบกันบ้างแต่ว่าจิตใจเข้มแข็งเป็นเพชรมันก็ไม่กระเทือนไม่กระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดย่อๆให้ญาติโยมเข้าใจว่า ของแข็งเป็นหินเป็นกวดมันมีเยอะแยะในโลกเนี้ยกายแข็งว่จาจะแข็งใจแข็งแข็งยังไงให้มีคุณค่าแข็งยังไงให้มันมีราคามันต้องแข็งโดยศีลแข็งโดยธรรมแข็งโดยภาวนาและชําระให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์ไม่ให้มันคุณอยู่ข้างในเอาให้มันสะอาดออกเพชรมันไม่มีแสงในตัวมันจะมีแสงในตัว ไม่ได้แต่ว่าอาศัยแสงสว่างจากพระอาทิตย์แสงสว่างจากแสงไฟทํำให้มันส่องประกายออกมาได้จิตใจของพวกเราอาศัยแสงสว่างจากธรรมะขององตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือเอาธรรมะเข้าไปไว้ในใจเอาคมะเข้าไปไว้ในการดําเ น, น, นินชีวิตเราก็จะสว่างสวยัยด้วยกุศลคนงามความดีนั้นธรรมะแสดงธรรมะจนยอนะ่อพอสมควรแก่เวลา คืนนี้รอฟังหลวงพ่อมาเทศหลวงพ่อจะมาเทศคืนนี้ก็ อ, อนุโมทนา